เมื่อนี่เนี่ยที่มองเห็นพี่น้องลูกหลานบ้านตาดลูกของลูกหลานของหลวงตาเจกหลวงตาเจกหลวงตาเอง็งคนทำหุ่นหาแม่แม่กับแม่เสานะคแรบบับตลวงตาเอง็งหลวงตาเจก สมัยสมัยวัดเท่าส่างไม่เริ่มนีน่ยนะหลวงตาเองเนี่ยมาซอยแตะกุซื้อที่ดินมุมนั่นเลยมุมที่พอโสวีนั่ล ย, เ, ยเจ็ดไรบ่ผู้เฒ่าซื้อมันเป็นมุมอยู่หันมุมหนึ่งจากนั้นผู้เฒ่าก็ปลูกต้นใหม่ต้นยังซอยวัดเท่าหลายตัวหลวงตาเจกมันมาบวชอยู่ไหนได้พอจเจอเริมันก็บวชแต่ขยัน เป็นผู้ซอยพ ญ, ญ า, านาคเก่าเลยเป็นผู้ซอยพ ญ, ญ า, านาคบ้านตาดหลงตะเจ็กขยันแยกงานก็นับว่าดีดียังไงก็ดีตรงที่วันบันปลายชีวิตควรจะทําแบบลวงตะเองเนี่ยแหละทำแบบลวงตะเจ็กเนี่ยหลวงตะเจ็กบันปลายชีวิตพันที่แรกพันกระสงขอบ สร้างฐานะให้ขอบครัว้วให้ดุขยานเฮหตให้เหตหน้าหัวเหดชวนถดุขยานมีฐานะพ่อสมควรแล้วกับตัวเองกับพันเขามาบวชหาหนทางให้แกเจ้าของอันนี้หลวงพ่อว่าถูกเดว้ว่าเมตสีมกมุ่นยุตลอดตโม ต, โมตโมตมะปรายโนตโมธมะเนี่ยมกมุ่นมากเลวกับมืดมากเลวก็มืดไปบ้านาจิเป็นยังสัต ตมโมตมะปรายโนโชติสมัยเป็นหน่อยเป็นนุมเข้ากับส่างท้านะสุดความสามารถบันปลายชีวิตเข้ากับออกมาปฏิบัติรรมเสาะแสวงหารรมก็มอบให้ลูกให้ล้านดำเนินกิจการต่อไปถึงจังหดเข้าจึงเฮ็ดปรนได้เข้ากับพ่อปรนานั่นล่ะพอบุญวาดสนามบารามีของเข้า มันบอกพ่อจะเกินกว่านี้ไปได้มันบอกจะรวยกว่านี้ไปได้ขนาดนี้กัพ่อละพ่ อ, อยู่พอกินคือบ้านคือเมืองพันบดตุก ต, ตามลําบากเฮอันนี้ต้องคึ้ไหวจังสัน้นจากนั้นก็ผันตัวเขามา่าปฏิบัติธรรมรักษาศีลไหวพระนั่งพระวนาเบิงเจ้าของอันนี้ดําเนินชีวิตหลวงพ่อว่านาจะเป็นจ้งสัน้น แมนสิเฮ็ดม า, าแต่แตกหน่อยแต่นมต้นเถ่าแก่สลากงกงกัน ง, งั น, งน อ, อ, อยากได้อยู่ก็ว่าเข้ามาอยากได้เขามือกับแมนอยู่เข้ามาอยากแต่ว่าก็ต้องคิดมันต้องเอาทํามาเขาทั่งคิดใจพร้อมเรื่องศีลเรื่องทําพร้อมกับเรื่องทางโลกพร้อมอย่าให้มันไปทางเดียวมากจนเกินไป การว่าเป็นไปได้กันเนี่ยนะออกมาเป็นนักพจนักปวดจะดีอย่างหลวงตาด็อกเตอร์หลวงตาด็อกเตอร์อนุหาสิบกว่าปีหาสิบแปดปีเพิ่นก็ะเอรี่เจ้าของทั้งที่เพิ่นเป็นพ้นเอกเป็นด็อกเตอร์พร้อมเพิ่นก็ออกมาบวชเดีอนหนึ่ก็สิบกว่าพรรษาเลยเลยหลวงพ่อว่าเออเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี ในเมื่อเข้าเป็นขาราชการเข้าก็ทํางานอย่างเต็มที่บ่ให้ขาดตกบกพร่องในเมื่อบั่นปลายชีวิตเข้าก็ออกมาปฏิบัติธรรมหาความสุขให้แก่เจ้าของหามักหาผลหาสวรรค์หาบุญหากุศลเข่าสู้จิตใจเจ้าของบ่ให้มันว่างเปล่าบ่ให้มันเสียเปล่าถ้าคิดใดจังสันหรือว่าทำอะไรจังสันลวงพอว่าในความ คิดของหลวงพอ่อหรือว่าความคิดในหลักธรรมคําสอนในคิดในภาษาของหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปนวาถูกต้องนะหลวงพ่อเนี่ยเอากระจกเอาธรารมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นเป็นเครื่องซองบ่อมันเอาขวางความคิดของเจ้าของวานะ่าแต่หลวงพอก็เอาความคิดของเจาา้เาของมาเกอามากันกรอง ออกมาทบท่วนบังแมนบ่ที่พระพุทธเจ้าพ้นว่าไหวแบ บ, แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกวะเน่ยแต่หลวงพ่อว่าถูกต้องบั่นเบื้องตน้นเราก็เจาะแสวงหาแต่บั่นปลายชีวิตเฮากระทงหมุนเขาสูธรรมะเอาธรรมะเขาสูจิตใจแต่เมื่อนี่ลูกหลานได้ทําบุญหาผู้เท่านี่แหละลงใต้เจ็ด ก, กับแม่เสา สองตายาย่า่แต่แม่เสาเป็นกะตูแลลูกๆอยบานหลวงตาเจ็ดเปรนกระบวชเพราะอนุมากแล้วนะแต่ทุกคนก็ต้องถึงจุดจบคือชีวิตบมไม่ผู้ใดจะหลีกลีนี้จากมรณะไพ่ไปได้ต้องถึงจุดจบแต่เมื่อท่านหลวงรับไปแล้วจังสีลูกหลานพวกเฮาที่เป็นลูกเป็นหลานที่ได้รับมนตรกจากเพิ่น ที่เปัญหาม่ให้พัวเห่าที่ได้ลืมตาอาปากได้มีให้มีหน้ามีมรดกให้พวกเห่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิงมรดกชิ่นสําคัญก็คือร่างกายของเห่านี่แหละที่พ่อแม่หามากตั้งแต่หัวจุดเท่าตั้งแต่หัวจุดตีนอันนี้ก็คือมรดกของเพิน่นในเมื่อเพิน่นหามากแล้วเพิ่นกระเลียงอีกตั้งหากเลยเพราะเนเพิน่นหายมากชื้น เพิ่นห้มากเลวเพิ่นก็นเลี่ยงดูเข้าอีกอยังพวกเข้าเลีเ่ยงลูกของเข้านะั่นนะตั้งแต่แ บ, บะเบาตั้งแต่พวกจักเตียงแต่ว่าท่านรืมตาคนนะพวกเข้าก็นเลเลี่ยงลูกของเข้าเลี่ยงหลานของเข้าเพิ่กนกระเลี่ยงเข้าด้วกันนี่แหละอันนี้แปลว่าเพิ่นให้ความอบอุ่นให้ร่างกายให้ทุกอย่างสําหรับลูกของเพิ่นบัดนี้เข้าเป็นไงขึ้นมากแล้ว จนรูจักเรียงสาวภาวะจนใหญ่ถึงขนาดนี้อันนี้ได้ได้มาจากไผ่ได้มาจากพอ่อจากแม่นี่แหละพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพนว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจระของท่านดำรงวงสกุล ระพฤตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้คือนาทีของลูกที่ดีลูกที่ดีต้องปฏิบัติตนยังจี้พระพุทธเจ้าพนวิไวไวเด็ดเนะเมื่อพอแม่เลี้ยงดูหอามาแล้วเลี้ยงเพิินตอบทำกิจทลระของของเพินินดำล่องว่งสกุล ประพืชตนให้สมควนควนรับทัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่หลวงรับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพลินคือบ่ให้ขนาดเพลินตายแล้วก็ยังบ่ให้ขิมบ่ให้ปล่อยปล ะ, ละเลยเพราะเหุ้ใดเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ตั้งแต่หัวจนหอดีนเนี่ยได้มาจากเพลินแล้วก็พอมันกันเดืองที่ให้ทีหน้าเี่ยทีหัวที่สวนเออ ก็มาให้เพิเินของเพิินคือกันเพราะน่ะชิงโมนีนี่แหะอันนี้คือนาทีของบุตรธิดาจะต้องช่วยกันคิดคือกันเมื่อเพิินหลวงรับไปแล้วบุญเป็นจีปอยปะลาเล่ยบุญเปนเมื่อพ่อแม่หลวงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิินหากว่าพ่อแม่ตกทุกข์หนักจังใจเมื่อเขาทําบุญเขาก็ําลึกถึงเออพ่อแม่หลวงวิน ญ, ญาณพ่อแม่เอ้ย สิ่งเจติธิดถินด่นใดตกทุกข์แต่ ย, ยากจังไดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผูกจากผูกขาเดอ้ออันนี้พวกเข้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิลนย่างหลวงตาเหฮมบล่ะหลวงตาทําบุญเปิดโลกธาตุทีบันตาดหลวงตาเฮ็ดยังทําบุญเปิดโลกธาตุเกิดขึ้นทบุญให้แม่ของเพิลนวันขอบรอบมรณะภาพแม่ของเพินแม่ของหลวงตาคุณ แม่คุณแ ม, โ ม, ม่โยมมั่นดาของโยมมั่นดาของหลวงตาเพิ่นทําบุญเนเพิ่นก็บอได้ปลาปลอยปาลาละเล่ยเด้เพิ่นก็บอได้ว่าเฮ้เล่าเป็นพระาราหันแล้วเออเราพรต้องทําบุญหาแม่ดอกบอแมนเพิ่นก็ยังลำดึกทำบุญหาแม่เพิ่นอยู่ยังพระพุทธเจ้าเพื่อนพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตั้สรูปเป็นพระพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธไเจ้าแล้วในพรรษาสี่บหพันษาพระพุทธเจ้าเนี่ยพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้จะเดจขึ้นไปอยู่ไปสั่นดาววันหึ่งเลยไปโปรดพระมานดายอยู่สั่นดาววันหึงสมเดือนนะไปโปรดพระมารดาเทศอภิธรรมโปรดพระมารดาอยู่สามเดือนอันนี้พระพุทธไตรเจ้าพลบดะมองข่ามเรื่องคุณบรมที่สอดในผู้อื่นแลยเจ้าของบุหเศรษฐบรมธี ยังหลวงพอ่อไหนกันหลวงพอ่อไหนกนะทรมบุญเออทรบุญหาย่อมพอย่อมแม่พกเข้านะ่ะอุทิศส่วนกุศลน่นะหลวงวิญญาณของเพิินสิ่งสิทธิจูดะมองไหนทินใดตกทุกข์แต่อยากให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าเพลินเด็กเป็นผู้มีอุปกราระคุณเป็นผู้มีพระคุณสำหรับบุตรทีดา บุพะการีบุคคลภูมีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ผัวเข้านี่แหละเพราะนั้นพัวเขาย่าลืมเดอ้ออันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาให้ผัวเข้าให้ลูกหลานทั้งหลายคิดดูให้ดีดูสิถ้าเมื่อเข้าท่าดีกับพอกับแม่แล้วลูกหลานก็ท่ำดีก็เพ้ามันเป็นกรรมวัพันธุกรรมะปฏิกรรมปฏิสระโนไดเ้เมื่อเข้าท่ำกรรมสิ่งใดไว้ สิ่งนั้นจะให้ผลเนื่อเมื่อเข้าถํากรรมดีถ้ำความดีก็พ่อกับแม่พ่อแม่กับลูกของเขาก็ถ้ำดีก็เผ่าถาว่าเข้าบวเฮ็ดความดีก็พ่อกับแม่ขันนว่าลูกของเขาก็บวเฮ็ดดีก็เผ่าขึ้นกันมันเป็นกงหลอกกำกวยนได้ของพันุใน่เพราะนั้นพวกเข้าควรจะเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกไยขึ้นกัน เขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเป็นใครว่าเข้าเป็นถ้ำตัวให้เป็นคนดีก็พ่อกับแม่ของเข้าขึ้นกันในเมื่อทําดีลแล้วมันก็เป็นตัวอย่างของลูกของหลานโดยอัตโนมัติขึ้นกันอยากจะให้ลูกดีอยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานดูค่ะคันว่าเข้าเห็ุจริงที่บดีให้ลูกหลานเบ่งลูกหลานก็เอาเป็นตัวอย่างอีก การเอาเห่าเห็ดเป็นตัวอย่างที่ดีให้แกลูกแกหลานลูกหลานกันนั่มความดีของเห่าปับมาปปุ้บปฏิบัติอย่างหลวงตาเจ็กนี่สิแหละเปิดขอมาบวชใน้พระพุทธศาสนาพวกเห่าก็ถือว่าเออพอของเห่าแม่ของเห่าผ้าขาวัดเขาว่าผ้ารักษาศีลผ้ามากกราบครูบาอาจารย์มให้ท่านรักษาศีลภ่วนาปฏิบัติสําหรับหลวงตาหรงพ่อเห่ากับเป็นผูกเอาจริงเอาจัง นี่แหละอันไหเข้าก็เดินตามถึงจะบอเดินตามอะไรทุกอย่างเข้ากับยังเป็นแนวทางของเข้าเมื่อเข้าแ่าแกชะล่ามากเข้าจะต้องเดินตามนี่เมื่อหลูกของเข้าได้ทําการทํางานเป็นฟังเป็นฝาแล้วอันไหนกับเป็นนาทีของพวกเข้าจะต้องได้คิดคืบกันแล้วกัการทำบุญในมือนี่คือกันให้ทำบุญอุทิศโวนกุศลถึงพ่อแม่ปูยาตา ย, าย่าไบบลมันตแต่ย่าเสาบวมเปนแต่ หลวงตาเจ็กนะให้ทําให้ลูกหลานทําบุญกว่างๆเอาไว้อุทิศส่วนกุศลเพราะน่านๆพวกเขาจะได้ทําบุญ mm hmm. ก่อนที่หลวงตาเจ็กตึงไายเสาจิตดจมรดกมากจัิงสิเพิ่นก็นได้มากจากพอ่อจากแม่สืบทอดกันมากในเมื่อเพิ่นได้มรดกมากสืบทอดกันมากเฮ้าก็ะเดยสืบท อ, อดหอดหลานหอดเลนของเฮ้าในเมื่อเฮ้าทําบุญเฮ้าก็ต้องลําลึกถึงผูด เบื้องต้นว่าเออปู่ญาตายายของเ้าเนอที่ได้เหตไทเหดหน้าที่มีมรดกที่ดินสืบทอดมากผวกเข้าที่อยู่ได้กินได้ใส่ได้ซอยด้วยบุญกุศลที่พกลูกหลานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในมือหนีก็ใครอุทิศให้ดวงวิญญาณปู่ญาตายา ย, ายตกทุกขแต่ ย, ยากยังได้ ขันพ่อที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกภูเขาเนอลูกหลานเนอให้นึกคิดในใจยังสัตว์เวลาทำบุญทุกครั้งผมเองจะมาทำบุญตะมงนีนะเนอะเทาทำบุญทุกครั้งเขาต้องคิดจำลึกถึงบรรฑ์ไช น, น, นของพวกเฮาขันเฮาบ่คิดถึงบุได้ในรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขจัดพระเจ้าพิมพ์ิสารถวายวัดป่าเวรุวัณ พอทำบุญแล้วเพลินบุญลำดึกถึงญาติของเพิินเปตยาติญาติของเพลินแล้พอทำบุญแล้วก็แล้วได้บุญแล้วก็แล้วแต่ว่าพวกเปตยาติญาทั้งหลายบ่ได้รับป่ะนี่ยจนแสดงตนให้ปรากฏพระเจ้าพิพิสารยัไม่กราบพูนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าเป็นญาติของพระองค์ในอดีตชาติเขาค่อยรับบุญรับกุศลจากพระองค์อยู่แต่พระองค์บ่ไดน้นิกบ่นึก ถึงเขาเลยบ่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงเขาเลยเขาจึงบ่ได้รับอันนี้กันอีกส่วนหนึ่งนะแต่อีกเรื่องนึงกัปัจจุบันนี้่เลยหลวงพ่อเคยยกเป็นบุท t h หอนให้ฟังหลวงอาโยมอาของหลวงพ่อเนี่ยชื่อว่าลุงเจ็ดเนยแต่ว่าลุงหลวงพ่อเป็นน้องพ่อก็เรียกว่าอานะนะั่นแหะแต่ลวงพ่อ ม, มีครอบครัว วันี้ลุงพ่อเนี่ยเป็นลูกพี่ชายไหลูกหลานของลงเพิเนี่ยเป็นตั้งแปดเก้าคนเขาเอิญพราะน้ก็เอินลุ้งเอินลุ้งมดเดินลุงเจ็บเอยลุงพ่อเนี่ยกรทั้งที่จะเอินคุณอานนปะอายอออาคุณอาเห็นเขาเอินลุงเจ็กลุงพ่อก็เอินลุงเจ็บต้นเขาคนนู้นไปผู้เทาก็ให้เลยฟอกเนี่ยเอินกูเอิญนาจะเอินอากูเอิญลุ้งน้ำเขา โอ้ยเขาคนหลายลูกล้านเป็นลูกเป็นล้านห ล, ล, ลายกว่าเป็นลุดหลานออาหลายกว่าเขาเอิญลุ่งลุ่งผมก็เอิญจะจะว่าเลอาอาผู้เดียวผมก็เอินลุ่งนําเขาอะเนาะโมไปยังเอินลุ่งซะว่ า, า, าต่อมากผู้เถาก็ตายอายุเจ็ดสิบกว่าก็าตายไปแล้วต่อมากกับน้องทรายก็ตายอีกผู้ใหญ่จูมที่เพิ่นยู่น้ำ อที่ลงตามหาบาวบอกที่ท่านดูๆผู้ใหญ่จูมเขียนหนังสือเหมือนไก่แควนะเป็นวางงนานั่นแหละน้องไส้ลงไตต้องไส้ลุ่งเจตกันน่ะเป็่ยมอาของหลวงพ่อขึ้นกันจะนั่นพอลงโทศเออผู้ใหญ่จูมตายนั่งดวงเมียของผู้ใหญ่จูมตาย มาแล้วเขาก็เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างพวกเข้ามาทำบุญมาเนี่ยแหละทาบุญเปรัดคิดแคบๆใช้ไม่ได้คิดกว้างก้าวไปเจ้าทางร้ายทําบุญอุทิศกุศลให้นายจูมผิวขำนางรวงผิวขำดวงวิญญาณไปอยู่นักถิ่นใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลข้าก็เว่าแล้วกระแล้วพระสงฆ์ถวายพระทหาพนพระสงฆ์กระชั้นพ่อชั้นแล้วเนี่ยพวกเล่านั่งเนี่ย บาทาลุ่งเจ็กวาเนี่เขามาสิงวะเนียมาสิงไอ้คนที่มานั่งอยู่เนี่ยมัเป็นคนในบ้านน่ะเด็กคนเป็นลูกเขยมาจากเมื่องอุบลว่นะว่าพกมูลง่งลุ่งจากเคก้อนวดไปหากินเขาจะมีโค้งจะม่เรียญโตจีนมั้บาฮาเนี่ไอ้นี่ละนอนเมียไปเรสจว น, ะอ น, น, อน เ, เนี่ยพอนอนเมียจวนเนี่ยวันเป็นยังบง้โลงไปแม่โลกแม่หากินเขาหมูน้ดเลยสันบางทมโด น, นไล่ปิดปิดดีดข า, าไป นอนเมบไปแปลว่าลุ่งเจ็นี่ขั้นในเครียดให้ไผ่ในขั้นในเครียดเนื่องจากละ่ะนอนเมบนอนความนา น, นอนเมบรัดีดขาแล้วกระทบลําไล่ไปทางหนาวนนไปแปลว่าเครียดไล่ไปขั้นป น, นัน่ะบ้านใ้เขาวายเม็ดไผเบิ้งห่อยมันมันผีสิงนี่เลยเขาวะพวกเทศบาลมันผีเขาได้เป็นแบบเดียวกันขืนมาวะท่านขืนม า, าเบิ้งโก้ท่านขืนม า, าเบิง้ง บานี่ยหลานเน่หลานเพิ่น อ, อไปหลาน ล, ลุกหน้าขึ้นกันหนะลานลูกอาขึ้นนะคืนมาเบิงวักันเป็นหนึ่งสีมันลักษณะลุงเจคเด้นกว่าันลุ่งเจกเกียรตแบบนี้แหละสวยว่าสันเสมัยก่อนกว่าสันเ ก, ก่อนพุทธปฏายบาดาลุ่งเจกเข็บอกว่าไอ้กูเนี่ยแหละผ่นว่าไอ้บาดเนี่อกูนี่หละผ่นวาเ อ, าเอ้าวไปยังลุ่งเจกยังไปหาสิงเขาลหรเขามาสิงเขาละ่ะลุ่ง อ๋อกูพอ่อใจยางมากเลยสันลูกลานอุทิศส่วนกุศลให้บเบลอซื้อถึงกูเลยว่ะสันเนี่ยเท่ า, าเออเอลอซื้อถึงแต่บกจุ่มกับอีดวงว่าสันนยคือน่องไช่กับลูกน่องสะไภ้ลไปกูก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานมากขึ้นกันมีิยังกูก็เลี้ยงมัดดิวกลูกลานเลยมาตรามาทำบุญเบเอยซื้อถึงแต่ บกจุ่มกับอีดวงมันบอกเออยซื้อถึงกูเลยสินกูเสียใจย่างมากคนไว้แต่ให้กูอดกูอยากกูโบอดโปอยากหอกอันนี้สงสินอันนี้สงอันอนี้สงท่านกูทําไว้แล้วมีอยู่มีกิ่นมีอยู่มีกินแต่ว่ากูเสียใจที่ว่าลูกหลานบ่ลําดึกถึงกูเนี่ยเท่าวะเออปันนัะโอ้ยยอมแล้วอีลุงเอ้ยยอมแล้วยอมแล้วต่อไปที่บรเฮไหนมีอีกยักษ์เถื่อต่างหนีต่อไป แตงแต่บัดนั่นมากเลยไปละถ้ำบุญอุทิศส่วนกุศลไล่เน่าเหยียดเลยวะเนี่ยผู้นั่นผู้นี่ผู้นี่ผู้นั่นคนไปนี่แหละให้ลูกหลานฟังไว้ถ้าเป็นอุตต่าหอนพวกเข้าทําบุญแต่ละเทืาเนี่ยไปไซก็ตามให้นึกนึกในจิตในใจบุญกุศลที่ผู้ข่าได้ทํำในข้าวนีข่ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอุทิศส่วนกุศลถึง พ่อเมยปูหย่าตายายบรงสาขนาดหยาดพิดสายทุกละทั้งหลายทั้งปวงเนอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลพวกเข้าตรงทําใจให้กว้างๆทังสันถึงเข้าพกเข้ามองบ่เห็นเข้ามองบ่เห็นแต่ว่าอันนั้นเกิดใจนี่ก็มองบ่เห็นใจเข้าก็มองบ่เห็นด้ีกันใจเขาก็มองบ่เห็นด้ียกันใช่ไหมใจทรงถึงใจฮใจจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลมีความสุขนะ ลันขอให้ลูกหลานเนะ้อวันนี้ไดมาทาบุญหาแม่เสาพ่อหลวงตายเจ็ดและกับปู่ญาตาย่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกหราลูกหลานทั้งหลายอุทิศตนกุศลเ้อนะตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้านุมโมธนาให้พ่อัรมนีเ น, นะ